งานหนังสือโดยโจโฉทุกเรื่องบันทึกเสียงตัดต่อจัดทําทุกขั้นตอนโดยโจโฉจัดทาเพื่อผลิตเป็นซีดีแจกฟรีให้ดาวน์โหลดฟรีเท่านั้นไม่เคยจําหน่ายนะครับมีคนจํานวนมากชอบเข้าใจผิดว่าผู้อ่านคือโจโฉเป็นเจ้าของเรื่องที่อ่านหรือคิดว่าเป็นทีมงานของคนผลิตหนังสือเป็นทีมงานของวัดหรือองค์กรหรือชมรมต่างๆซึ่งเรียนให้ทราบว่าผลงานทั้งหมดที่ทำมาหลายปีทําด้วยตัวคนเดียวทุกขั้นตอน ไม่มีทีมงานและก็ไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งนั้นนะครับทําทุกอย่างด้วยความศรัทธาส่วนตัวในครูบาอาจารย์และหนังสือแต่ละเล่มที่นํามาอ่านและเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์เลยอยากเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่และคนทั่วไปได้ฟังด้วยเท่านั้นไม่มีใครจ้างไม่ได้ทํางานให้ใครไม่ได้ทำเพราะอยากได้อะไรนะครับเพียงแค่อยากให้คนอื่นได้พบกับความสุขจากธรรมะ ที่คิดว่าง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็พยายามทำรูปแบบของเสียงอ่านให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่เป็นพิเศษซึ่งก็น่าจะแตกต่างจากเสียงอ่านธรรมะโดยทั่วไปที่เคยมีมาในอดีตงานเก่าหลายเรื่องที่อัดไว้สมัยเริ่มทำจะมีคุณภาพต่ำอัดไม่ชัดและยังอ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พยายามพัฒนามาเรื่อยจนค่อนข้างลงตัวในปัจจุบันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นไปจะเริ่มทาแบบ2เวอร์ชันนะครับ คือแบบไม่มีเพลงแล้วก็แบบมีเพลงประกอบที่ได้มาจากเพลงที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพลงที่แต่งเองทําดนตรีเองแล้วก็อีกส่วนก็ขอผลงานจากนักดนตรีที่อัดเผยแพร่ฟรีไว้มาประกอบนะครับสําหรับงานทุกชิ้นที่โชโชผลิตสามารถร่ายแจกต่อได้นําไปออกอากาศได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นห้ามจําหน่ายหรือเพื่อการค้าหากําไรเด็ดขาด ติดตามผลงานอื่นๆดาวน์โหลดฟรีและขอรับซีดีฟรีได้ที่เว็บไซต์เท่านั้นเหตุผลที่เน้นการเผยแพร่และติดต่อในเว็บไซต์ก็เพราะมีเป้าหมายเผยแพร่สู่คนรุ่นใหม่เป็นหลักนะครับสังคมจะดีได้ต้องเร่งปลูกฝังคุณธรรมให้คนรุ่นใหม่เท่านั้นไม่มีคุณธรรมเรียนเก่งไปก็ไม่มีทางมีความสุขนะครับการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงแต่ก็ต้องปรับระดับและวิธีการให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มด้วย ไม่ใช่ชอบแต่เอาหลักการปฏิบัติขั้นสูงของพระไปสอนคนเพิ่งมาใหม่แบบที่ทําอยู่ทั่วประเทศในตอนนี้จเจริญในธรรมทุกท่านนะครับ